พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห0สิบลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส1สิอดสิงหาคม2555ห้าห้ามีชื่อเรื่องว่านักปฏิบัติต้องหัดสังเกต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 แต่พออดอาหารเข้าไปบางทีมันยิ่งฟุ้งใหญ่ฟุงใหญ่เอาต้อยกลับมาก่อนมาฉันอาหารพอฉันอาหารเขียนเข้าใหม่ดูที่มันฟุงมันฟุงมาจุดไหนทำไมมันจึงฟุ้งวันนั้นมันฟุงมาจุดไหนหาจุดที่มันฟุงฟุงจิตใจที่มันฟุ้งมันมีเหตุอะไรมันจึงฟุ้งอันนี้เราก็ต้องสังเกตอีก้าเราสังเกตเราจะเห็นเราจะเห็น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 เรากําหนดดูเราก็เอาสติของเราจับอยู่ที่กะโหลกศีรษะของเราในเมื่อจับดูกระโหลกศีรษะของเรานั่นแหละใจของเราเมื่อเราพิจนารณาไม่รู้ว่ากี่เที่ยวหรอะคล้ายๆกับ ม, มันอ่อนล้ากว่าได้เลยใจเมื่อกดจออยู่จุดนั้นนั่นแหละจิตใจมันจะรวมเพิ่บเลยจะไหอรวมลงเป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาใช้ในความคิด การกลองไตรตรองพิจนารณาให้ทีท้วนในร่างกายจากนั้นก็กําหนดอุูจิตจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายอันนี้นะว่าวเมื่อจิตใจรวมสงบลงได้ใช้ปัญญาคือความคิดการกลองไตรตรองกระดูกนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานจากนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้น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 ขอไข่ข้อโคตข้อควายแหมอะไรก็ตามที่เราเรียนนี่แหละในเมื่อเรารู้แล้วสิ่งที่ไม่รู้มันก็ตกไปหายไปมมันก็รู้ขึ้นมาในใจรู้ตัวนั้นมันหนักไหมมันก็ไม่หนักพราะมันรู้แล้ว น, นี่แหละอันในใจของเราก็ลักษณะอย่างนั้นที่รู้มักรู้ผลมันปล่อยพวกเราทุกทุกท่านนะนานนานทีหลวงพ่อจะได้พูด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 าากัวปาา่าช้าจกลัวป่าช้าจะไปกลัวทาไมสุสานที่ใหญ่ที่สุดก็คือกระเพาะตัวเองแต่ละวันดูสิไม่ลวกเป็ดไม่ลวกไก่ไม่ลวาอาหารประเภทไหนเขาเอามาฝังในสุสานคือกระเพาะของตนเองเต็มไปหมดแต่ละวันนี่แหละป่าช้าที่ใหญ่ที่สุดคือกระเพาะของเราแต่ละคนพิจารณาดูสิจริงไหม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 พระจิตของพระพุทธญาอยู่ในระดับไหนไปไหนเดียวนี้เลยท่านรู้ได้หมดนะอันนี้ก็คือนิรศนะติปฏิสัมพิทาคือเป็นความรู้ของพระอระหรันตะ์ที่ท่านได้บมเพ็ญมาแนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุมธนาให้พร